เนาะแล้วอาหารไทยจะเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ผมมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์น้อยที่สุดซึ่งวันนี้เรากลับมาร้านอาหารไทยอีกแล้วนะครับเป็นร้านหนึ่งที่เพื่อนแนะนํานะครับที่นี่โลเคชั่นของเขาณนะอยู่บางแสนนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะ